ความเห็นสีอย่าง389ร้าจำเลยไม่บริสุทธิ์โจทย์มีความเห็นว่าเป็นผู้บริสุทธิ์หนึ่งจำเลยบริสุทธิ์โจทย์มีความเห็นว่าเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์หนึ่งจำเลยไม่บริสุทธิ์โจทย์มีความเห็นว่าเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์หนึ่งจำเลยบริสุทธิ์โจทย์มีความเห็นว่าเป็นผู้บริสุทธิ์หนึ่งพิกษุต้องอบัดปาราชีกข้อใดข้อหนึ่งแล้วย่อมเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์ถ้าภิกษุโจทย <die> ์มีความเห็นว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ ไม่ขอโอกาสก่อนมีความประสงค์จะให้พ้นจากพรหมจันทร์จึงโจทย์ภิกษุนั้นต้องอบัตทุกกดกับอบัตสังฆาธิเศษภิกษุต้องอบัตปาราชิกข้อใดข้อหนึ่งแล้วย่อมเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์ถ้าภิกษุผู้โจทย์มีความเห็นว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ขอโอกาสก่อนมีความประสงค์จะให้พ้นจากพรหมจันทร์จึงโจทย์ภิกษุนั้นต้องอบัต ส, สังฆาทิเศษภิกษุต้องอบัตปารชิกข้อใดข้อหนึ่งแล้วย่อมเป็นผู้ nhiều, ไม่บริสุทธ no> ิ์ถ้าภิกษุผู้โจทย์ มีความเห็นว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ขอโอกาสก่อนมีความประสงค์จะด่าจึงโจทย์ภิกษุนั้นต้องอบัติทุกกฏกับอบัตปาจิตตีเพราะกล่าวเสียดสีภิกษุต้องอบัตปาราชิกข้อใด ข, ข้อหนึ่งแล้วย่อมเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์ถ้าภิกษุผู้โจทย์มีความเห็นว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ขอโอกาสก่อนมีความประสงค์จะด่าจึงโจทย์ภิกษุนั้นต้องอบัตปาจิตตีเพราะกล่าวเสียดสีภิกษุไม่ต้องอบัตปารปาชิกข้อใดข้อหนึ่ง ย่อมเป็นผู้บริสุทธิ์ถ้าภิกษุผู้โจรมีความเห็นว่าเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์ไม่ขอโอกาสก่อนมีความประสงค์จะให้พ้นจากพรหมจรรย์จึงโจรภิกษุนั้นต้องอาบัติทุกกฏภิกษุไม่ต้องอาบัติปาราชิกข้อใดข้อหนึ่งย่อมเป็นผู้บริสุทธิ์ถ้าภิกษุผู้โจรมีความเห็นว่าเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์ขอโอกาสก่อนมีความประสงค์จะให้พ้นจากพรหมจรรย์จึงโจรภิกษุนั้นไม่ต้องอาบัติภิกษุไม่ต้องอาบัติปาราชิกข้อใดข้อหนึ่งย่อมเป็นผู้บริสุทธิ์ ถ้าภาิกษุผู้โจทย์มีความเห็นว่าเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์ไม่ขอโอกาสก่อนมีความประสงค์จะด่าจึงโจทย์ภิกษุนั้นต้องอบัตทุกกฎกับอบัตปาจิตตีเพราะกล่าวเสียดสีภิกษุไม่ต้องอบัตปาราชิก ข, ข้อใดข้อหนึ่งย่อมเป็นผู้บริสุทธิ์ถ้าภิกษุผู้โจทย์มีความเห็นว่าเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์ขอโอกาสก่อนมีความประสงค์จะด่าจึงโจทย์ภิกษุนั้น <S <S ต้องอบัตปาจิตตีเพราะกล่าวเสียดสี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 ภิกษุต <society> <traditions> ้องอบัติปาราชิกข้อใดข้อหนึ่งแล้วย่อมเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์ถ้าภิกษุผู้โจรมีความเห็นว่าเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์ไม่ขออากาศก่อนมีความประสงค์จะด่าจึงโจทย์ภิกษุนั้นต้องอบัติทุกกฎกับอบัติปาจิตติพ่อกล่าวเสียดสีภิกษุต้องอบัติปาราชิกข้อใดข้อหนึ่งแล้วย่อมเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์ถ้าภิกษุผู้โจรมีความเห็นว่าเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์ขออากาศก่อนมีความประสงค์จะด่าจึงโจทย์ภิกษุนั้น ต้องอบัติปาจิตตี K K พ่อกล่าวเสียดสีภิกษุไม่ต้องอบัติปาราชิกข้อใดข้อหนึ่งย่อมเป็นผู้บริสุทธิ์ถ้าภิกษุผู้โจรมีความเห็นว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ขอโอกาศก่อนมีความประสงค์จะให้พ้นจากพรหมจรรย์จึงโจทย์ภิกษุนั้นต้องอบัติทุกกฎกับอบัติสังฆาทิเศษภิกษุไม่ต้องอบัติปาราชิกข้อใดข้อหนึหน่งย่อมเป็นผู้บริสุทธิ์ถ้าภิกษุผู้โจรมีความเห็นว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ขอโอกาสก่อน มีความประสงค์จะให้พ้นจากพรหมจรรย์จึงโจทย์ภิกษุนั้นต้องอบัติสังฆาธิเศษภิกษุไม่ต้องอบัตปาราชิกข้อใดข้อหนึ่งย่อมเป็นผู้บริสุทธิ์ถ้าภิกษุผู้โจทย์มีความเห็นว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ข อ, อการก่อนมีความประสงค์จะด่าจึงโจทย์ภิกษุนั้นต้องอบัติทุกกฎกับอบัติปาจิตตีพเพราะกล่าวเสียดสีภิกษุไม่ต้องอบัตปาราชิกข้อใดข้อหนึ่งย่อมเป็นผู้บริสุทธิ์ ถ้าพิสูุผู้โจทย์มีความเห็นว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ขอโอกาสก่อนมีความประสงค์จะด่าจึงโจทย์ภิกูุนั้นต้องอบัตตาจิตตีพ่อกล่าวเสียดสี